บันทึกที่สองเรื่องความหมายของทิฏฐธรรมิกะและสัมปราญิกะทิฏฐธรรมิกะและสัมปราญิกะมีรูปศัพที่เป็นคำนามว่าทิฏฐธรรมและสัมปรายะตามลำดับคำทั้งสีน่นี้มีใช้มากมายทั้งในบาลีและในคมภีชันหลัง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 และประโยชน์ภายหน้าบางคราวมีปรมาถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดตามมาด้วยรวมเป็นอัรฐะหรือประโยชน์สามขั้นอย่างไรก็ดีในคำพีขั้นต้นทีเดียวมีแต่อัรฐะสองคือทิฏฐธรรมิกัฏฐะและสัมป ร, รายิกัฏฐะเท่านั้นมาคู่กัน และในกรณีเช่นนั้นสัมปรายกัตถะหมายถึงประโยชน์ที่สูงกว่าหรือเลยจากทิฏฐธรรมิกัตถะขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งประโยชน์ขั้นปรมัติด้วยส่วนคำว่าปรมัทิ่านใช้ลำพังต่างหากเป็นคำโดดๆดดไม่รวมอยู่ในชุดโดยถือเป็นไวยพอย่างหนึ่งของนิพพานต่อมาในคำพีชั้นรอง จัดเข้าชุดเป็นอัตถะหรือประโยชน์สาคือทิฏฐาธมิกัตถะสัมปรายิกัตถะและประมัตถะในกรณีเช่นนี้สัมปรายิกัตถะย่อมถูกจำกัดความหมายให้แคบเข้าเป็นประโยชน์เบื้องหน้าหรือเกี่ยวกับโลกหน้าชั้นสวรรค์ที่ต่ํากว่าปรมัตคือยังไม่ถึงนิพพาน ที่ว่าสัมปรายิกัตถาเดิมหมายถึงประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งปรมตถาด้วยนั้นเช่นเมื่อคราวที่ท่านพร ม, มายุปรามผู้เท่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประทานโอกาสให้ท่านถามปัญหาได้ทั้งที่เกี่ยวกับทิฏฐธรรมิกัตถาและสัมปรายิกัตถาพร ม, มายุปรามดําริว่าสําหรับทิฏฐธรรมิกัตถา ตัวท่านเองชำนาญอยู่แล้วมีแต่คนอื่นมาถามท่านดังนั้นท่านจึงจะถามปัญหาเกี่ยวกับสัมปรายกัตถะคำถามเกี่ยวกับสัมปรายกัตถะของพระมายุพรามมีว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะเป็นพราหมณ์เป็นเวทคูผู้จบพระเวทเป็นเตวิชาผู้ทรงตรายเพศหรือตรายวิชา เป็นโสธิยะเป็นผู้เจนสรุติคือตัวบทแห่งพระเวทเป็นพระอาหารหันต์เป็นเกวลีผู้ลุกไกวันเป็นมุนีและเป็นพระพุทธเจ้าแม้คำว่าสัมปรายิกะลว้วนๆก็มีความหมายกว้างถึงชั้นปรมัติ์ด้วยเช่นกันดังในการนนะักกัตลสูตรพระเจ้าประเสริที่โกศล คุณถามพระพุทธเจ้าถึงความแตกต่างระหว่างวันณะทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแสดงความแตกต่างในแง่ทิฏฐธรรมิกะว่าเมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพกันกษัตริย์และพราหมณ์ก็เป็นวันณะสูงแต่ในแง่สัมปรายิกะความแตกต่างกันไม่เกี่ยวกับวันละความแตกต่างขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคน เมื่อถึงวีมุตต์แล้วไม่มีอะไรต่างกันและมีข้อความตอนหนึ่งในคำภีมหานิเทศว่าบุคคลมองเห็นอนิสงส์สองประการแห่งทิฏฐิหรือทิษดีของตนคืออนิสง ika, ส, งทสงท ika, งท์ที่เป็นทิฏฐธัรมิกะและอนิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะอนิสงส์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะของทิฏฐิเป็นชนกล่าวคือ ศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอย่างนั้นพวกสาวกย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาย่อเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและย่อมได้จีวรบินทบาทเสนาสนะเพสัตว์อันสืบเนื่องมาแต่การนั้นอานิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกาของทิฏฐิเป็นฉนัยกล่าวคือ บุคคลนั้นหวังผลต่อไปข้างหน้าว่าทิฏฐินี้พอจะทำให้เป็นนาคเป็นครุฑเป็นยินเป็นพรหมหรือเป็นเทพได้ทิฏฐินี้พอเพียงแก่สุทธธีวิสุทธธีบริสุทธิมุตติวิมุตติบริมุตติเรจาจักบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยทิฏฐินี้ในชั้นอัตถกถา ท่านมักแสดงความหมายจำกัดลงไปทีเดียวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีในอัตภาพนี้เกิดขึ้นในชาตินี้สัมปราญิกะหมายถึงมีในปรโลกเกิดขึ้นในโลกหน้าหรือชีวิตหน้าแม้อัธกถาที่อธิบายเรื่องนิพพานธรรมสองอย่างก็อธิบายทํานองนี้เช่นกันคือกล่าวว่า